ลองทำนะ <c oughs> พบกันในเรื่องของการปฏิบัติอยากพบกันนะที่วัดป่าสุขโตพบกันที่สาราฉันพบกันที่หอไตรพบกันที่กติอันนั้นเป็นเรื่องนอกไปเรามาพบกันด้วยการปฏิบัติธรรมเราพบกันด้วยการปฏิบัติธรรมทุกคนเจริญสติ มีสติดูกายดูจิตของตนเองแล้วการพบกันเรื่องอื่นก็ดีไปเองไม่ต้องไปคิดจะแก้อนโ น, น่นอันนี้แม้แต่ตัวเราก็เหมือนกันคิดว่าจะเอาอย่างนั้นคิดว่าจะเอาอย่างนี้จะทําให้ได้อย่างนั้นถ้าไม่ได้ก็่ะเสียเวลาอย่าไปอย่าไปคิดแบบนั้นเข้าถึงตัวปฏิบัติวิธีใดที่เราจะมีสติเห็นกาย สร้างม ส, สร้างสติไปในกายอันนั้นเป็นบุพภิกิจบุพภวคเบื้องต้นในการศึกษาในการปฏิบัติแล้วแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรต่างๆมันก็จะค่อยดีไปแม้จะมีศัตรูขู่อาลิคนอิจฉาพยาบาทก็จะค่อยดีไปถ้าเรามาพบกับตัวเองโดยการปฏิบัติธรรม เราพบกับตัวเองโดยการปฏิบัติธรรมเอาตัวปฏิบัติเป็นผู้ชีวิตกับเราไปก่อนแม้นว่ายังไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรก็ไม่เป็นไรอย่าไปอย่าเพิ่งไปแก้อย่าเพิ่งไปหาท น, นั้นมันจะเกิดขึ้นทีหลังเนววิธีปฏิบัติธรรมแน่แน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุด มีความรู้สึกตัวอยู่ที่กายกายก็มีจริงๆริงมีความรู้อยู่สึกตัวที่กายจริงๆริงอย่าเพิ่งไปเอาผิดอย่าเพิ่งไปเอาถูกอย่าเพิ่งไปกลัวทุกข์อย่าเพิงเพ่งไปอยากได้สุขไม่ต้องไปเป็นอะไรกับมันละความรู้สึกตัวมันมาเหนือเมฆมันมาเหนือ แ, แต่ทุกข์เราก็ฉีกคอความทุกข์ความรู้สึกตัวมันเปทางนัน้นแม้มันมีสุขก็ฉีกคอความสุข มันมีผิดก็ขี่คอความผิดมันมีถูกก็ขี่คอบนความถูกมันเป็นอะไรเราก็อยู่ขี่บนคอเขาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอะไรความรู้สึกตัวไม่พาให้เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ได้พาให้เราเสียไปร่มเวลาเราก็อยู่เหนือทุกอย่างไปก่อนรู้สึกตัวรู้สึกตัวมองอะไรมองแบบเหนือเมฆสักหน่อย แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยมันมาเหนือเมฆมันกันมันไม่เปิดไม่เปื้อนกับอะไรดอกมันไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับอะไรมันไม่ได้มันไม่เสียมันไม่ผิดไม่ถูกกับอะไรมันมีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้เพราว่าสติเนี่ยสติสัมปชัญญะยิ่งมาบวกเข้ากับกายมาบวกเข้ากับจิตที่เจตนาแล้วก็เห็น กายเขาก็แสดงไก่เขาก็แสดงเขาไม่หลบไม่รีไปไหนดอกแสดงก็แสดงแบบโง่โง่ก็ต้องมีสติเห็นเห็นชัดจิงสุดเห็นสุขก็เห็นว่าเป็นสุขเห็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข์เห็นร้อนเห็นหนาวก็เห็นว่าเป็นร้อนเป็นหนาวแล้วก็เห็นเรื่อยไปเห็นเรื่อยไปอะไรที่เขาแสดง เ, าเราแสดงหลายครั้งหลายหนก็เล้วไหลทั้งนั้นแหละเวันเราไปดูหนังเรื่องเดียวสองโลกสามโลกหรือเหมือนกับวิทยากรอบรมนักเรียนที่ไปอบรมที่ไหนก็เอาเรื่องเก่าเรื่องเก่าไปอบรมนักเรียนเขาก็รู้ล่วงหน้าแล้ว <c oughs> เขาก็รู้เรื่องนั้นต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็เบื่อเขาก็เบื่อไม่อยากฟังไม่อยากสนใจ ก็เป็นอย่างนั้นเราเห็นตัวเราหลอกตัวเราเราเห็นตัวเราทําให้เราเป็นทุกข์เราก็ถูกความทุกข์หลอกเราเห็นตัวเราทํำให้เราเป็นสุขถูกความสุขหลอกถ้ามีสติมันหลอกไม่ได้ถึงไหนหรอกเหมือนคนที่หลอกเรานะี่ยมันหลอกไปได้ไหมถึงไหนแต่มันก็จะมีปัญญาตรงนั้นด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมันเป็นไปทํานองนี้ อันอื่นมันจะค่อยดีไปก็ต้องมีบทบาทมีระจนภัยมีอะไรเยอะแยะเหมือนกับพระเอกนางเอกที่เขาเป็นพระเอกนางเอกเขาต้องระจนภัยเขาจึงได้ชื่อว่าพระเอกนางเอกจอบจะแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแทบจะเสียผู้เสียคนอะไรเทบจะ เ, เป็นยังไงหลายอย่างเราจึงได้เป็นพระเอกเราก็เหมือนกัน การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีรสชาติตอนที่มันหลุดมันพ้นมันทุกมันเห็นทุกมันพ้นทุกความพ้นทุกขมันก็มีรสชาติตรงนั่นด้วยการเห็นทุ ก, ก็มีรสชาติไม่ใช่อยู่เฉยๆเห็นแต่ความสุขไม่ใช่ถ้ามีสุขก็รับรองว่ามีทุกข์คู่กันถ้ามีหลงก็รับรองว่ามีรู้คู่กัน มีผิดก็รับรองว่ามีถูกคู่กันไม่ต้องไปสยบ ก, กับอันใดมาแบบเนื้อเนะือแบบผิดแบบถูกกับเนื้อมันแล้วรู้สึกตัวโอยเต่พื้ต่าพืพ้ไปเราก็สร้างความรู้สึกตัวเต่พื้ต่าพืพ้ไปแล้วเราก็สร้างได้เราก็สร้างได้วัตถุเที่ยวมาสร้างก็มีเจตนาลงไปใส่ใจลงไปมีสติลงไปแล้วก็ไม่ใช่คุมเต่พื้ต่าพื้นนะ คุมตะพื้นตะพือก็ไม่รู้จักตัวเองการที่ไปสู้ไม่ใช่สู้กับตัวเองตัวเราเนี่ยไม่มีตรงไหนที่หน้าไม่มีตรงไหนที่ได้ไปสู้หรอกแต่เห็นแก้งตามความเป็นจริงบางคนไปสู้กับตัวเองไปสู้กับความทุกข์ไปสู้กับความหลงไปสู้กับความง่วงเมาหัานอนไปสู้กับความคิดไม่ได้สู้นะปฏิบัปธรรมเนี่ยแต่มีสติมัน มันมันเหมือนกระดิ่งเนี่ยมือเหมือนกระดิ่งเนี่ยมือเรียกกันโอ้ยมีสติวันเทนอะไรก็เท่านั้นแหละรู้แล้วรู้แล้วเพราะว่ารู้แล้วรู้แล้วมันสะดวกกว่าอย่างอื่นแต่ไมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้มันไม่สะดวกทําไมเราจึงทุกข์ทำไมเราไม่รู้มันไม่สะดวกแต่ว่ารู้แล้วมันไม่รู้ก็รู้แล้วมันรู้ก็รู้แล้ว มันสุขก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วนะสะดวกสะดวกเห็นแบบสะดวกสบายมันหลงก็รู้แล้วคือความหลงมันสุขก็รู้แล้วคือความสุขสสมันทุกข์ก็รู้แล้วคือความทุกข์สะดวกสบายคพาว่ารู้แล้วรู้แล้วนะเป็นภาษาที่ง่ายๆเป็นภาษาเอามาใช้กับชีวิตของเราเป็นตัวเฉลยแล้วสติสมัมปชญัญญะมันก็เป็นเช่นนั้นนะ มันเฉลยแบบนี้มันรู้แล้วรู้แล้วมันว่าอย่างนี้นะความรู้แล้วแต่มันเบาจะยิ es, fishing, ้มก็ได้ยิ้มหัวเราะความทุกข์ก็ได้ยิ้มหัวเราะความสุขก็ได้ยิ่งหัวเราะความกรัวก็ได้เพก็ว่ารู้แล้วเนี่ยมันเบาเบาหรอกนะแต่อ้ยไม่ไหวไม่ไหวมันหนักหนักสักหน่อยทำไมจึงไปอย่างนั้นทําไมจึงไปอย่างนี้มันหนักนะแม้แต่เกิดความกลัวความอะไรชอบไม่ชอบมื่ไหรรู้แล้ว มันชอบก็รู้แล้วมันไม่ชอบก็รู้แล้วมันเกิดได้จริงๆอนะ่ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดได้กับกายกับใจของเราแปดหมื่นสี่พันอย่างมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่สัมผัสอะไรก็ได้กายของเราใจของเราแต่เราจะดูจะแล่จะลู่จะศึกษาเขาก็ต้องเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์นะเห็นทั้งผิดเห็นทั้งถูกนะ เห็นหมดทุกอย่างที่มันแสดงมันแสดงเหมือนๆกันชีวิตเราเหมือนกันทุกคนนั่นแหละว่าแต่เราดูตัวเราถ้าเราดูตัวเราก็เท่ากับกระจายอํานาจการปกครองไม่ใช่ว่าการปกครองกระจายอํานาจเอาตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอาบตอ่ำตั้งกรรมการเอ่ำตั้งอวัยวัจจกรารอ่ำตั้งผู้ช่วยอ่ำตั้งเลขขา อันนั้นไม่ใช่กระจายอำนาจตามความเป็นจริงกระจายอำนาจตามความเป็นจริงคือม่สติดูแลตัวเองให้คนไปให้คนไปดูแลตัวคณเราเองอำนาจก็อยู่กับคุณคนจะแก้อะไรก็ต้องแก้ตัวคณคณอย่าเพิ่งไปแย่คนอื่นถ้าคุณแจ้ตัวคนได้แล้วตัวคณเห็นตัวคุณทุกแง่ทุกมุมจนคุณหลอกตัวคณไม่ได้ นั่นแหะกระจายอำนาจถือว่าเบ็ดเสร็จอำนาจเบ็ดเสร็จนะพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้สมัยพระพองค์อุปสมบทกรรมแก่ผู้มาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ใช่เอเหิตพิกุลอุปสัมปทาว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำไวในเราตัดไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติตามทำไวในนั่นเถิด ผู้ที่ได้บรรลุธรรมตัดสลุบบรรลุเป็นพระหรหันต์ก่อนพระพุทธเจ้าก็ใช้คําว่าเธอจงประพฤติตามธรรมเวไนั์นั้นเถิดถ้าผู้ที่เป็นปุถุชนมาขอบวชพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอจงเป็นผู้ประพฤติตามธรรมเวไนน์ให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดก็เท่านี้เองแล้วก็ไปละ ไ, ไปปฏิบัติตามธรรมวินัยตามธรรมเวไนน์ก็คือนี่แหละเราทําอยู่นี่แหละ เรามีสติด้วยสติม <um ีสต no ิเนี่ยก็เป็นการรักษาสินมีสติก็เป็นการเจริญสมาธิมีสติก็เป็นการเจริญภาวนาปัญญาไปพร้อมพรอมกันเหมือนกับกงจักรหนุนไปพร้อมกันจะเป็นหนึ่งขี่สองขี <us <us ้สามขี้ถ้าเป็นกงจักรมันก็สนับสนุนก่อนสินสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญาสนับสนุนให้เกิดสีน สีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติไม่ใช่ออกหน้าออกหลังมันเป็นมันเป็นกมันเป็นแนวร่วงที่มันทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยศีล ส, สมาธิปัญญาคนเจริญสติก็เป็นอย่างนั้นน ะ, ะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่ ต, นต้นตอ ต้นตอที่ทําให้เกิดศีลต้นตอที่ทําให้เกิดสมาธิต้นตอที่ทําให้เกิดปัญญามันต้องมีสติมันต้องมีสติแต่สติมันมีได้อย่างไงต้องสร้างเอาอะไรมาสร้างเอากายที่มันเป็นจริงอยู่ในแล้วมันหลงมันสุกมันทุกข์ก็มีอยู่ในกายเราจะได้รู้มันก็จิตใจในแหละที่มันจะเกิดสุกเกิดทุกข์มันก็แสดงบางทีมันแสงหน้าแสงหลังด้วยการเจริญสติ แสงจะหลงไปกับมันมันสุขก็หลงไปกับความสุขมันทุกข์ก็หลงไปความสุขโดยเฉพาะความคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่มีสติกับพุทธออกมาได้ก็เห็นมันเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกรู้แล้วรู้อีกรู้เรื่องเก่ารู้แล้วรู้อีกการรู้เรื่องเก่ารู้แล้วรู้อีกมันไปใช่ธรรมดามันจะเป็นปัญญาด้วยตรงนั้นนะ มันจะเป็นธรรมดาเห็นกายเคลื่อนกายไว้อยู่เนี่ยเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆอ้าวที่แรกก็เจตนาะเห็นกายเห็นกายไปไปมามันก็ไม่ใช่แล้วมันก้าวล่วงเห็นรูปเห็นนามไปเลยอืมเห็นรูปเห็นนามไปเลยเคลื่อนไหวอยู่นี่มันเป็นรูปเป็นนามเห็นที่แรกก็คือกายกายอนุปัชนาอายอนุปัสนามีสติเห็นกายเวทนานุปัสนามีสติเห็นสุขเห็นทุกข กิตตานุปสนามิสติเห็นความคิดธามานุปัจนามิสติเห็นธรรมอารมณ์ที่เป็นกุศลและอกุศลมันก็ออกหน้าออกตาสี่อย่างนี่เป็นด่านทําให้หลงถ้าจะเปรียบเหมือนทางแยกพัดเข้าไปง่ายๆหลงเข้าไปง่ายๆหลงกับกายหลงกับเวทนาหลงกับความคิดหลงกับธรรมที่มันเกิดขึ้นความสุข ก็เป็นธรรมก้มทุกก็เป็นธรรมแต่มันเป็นธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลอกุศลก็คือทําให้มันเศร้าหมองทําให้มืดมนุนกุศลก็ทําให้เฉลียวฉลาดก็ดูมันมันก็แสดงของเขาอยู่นั่นแหละเอาไปเอามาเมื่อดูไปดูมาดูไปดูมาผมก็เห็นเป็นรูปกระทำเห็นเป็นนามมาทำนะ อา่ใช่เห็นเป็นไาเห็นเป็นเวทนาเห็นเป็นจิตเห็นเป็นธรรมเห็นเป็นรูปเป็นนามจะรูปเลยปะเนี่ยจะรูปเลยปะเนี่ยเวทนาอาจจะไม่ต้องเรียกว่าเวทนาเรียกว่าเป็นอาการจะแล้ววะเนี่ยง่ายง่ายจะเรียกว่าเวทนามันสุขมันทุกข์ความสุขความทุกข์ก็ก็ยังแบ่งชั้นอยู่สุขทุกข์สุขมัก็เป็นสุขจริงจริงทุกข์มันก็เป็นทุกข์จริงจริงมันจริง พอมาเห็นเป็นอาการมันไม่จริงมันเป็นเป็นอาการเป็นเพียงอาการความสุขควาทุกข์ความร้อนความหนาวความหิวความปวดความมอยความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความลังเลสงสัยความคิดพุ่งซ่านที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามมันเป็นอาการขอบคุณเขาถ้ารูปไม่มีอาการนามไม่มีอาการเขาก็ไม่เรียกว่ารูปเขาไม่เรียกว่านาม มันก็จะไม่ได้บรรลุธรรมเลยถ้าไม่เรียกว่าลูกถ้าไม่เรียกว่านามไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเพาเขาไม่แสดงอะไรออกมาการบรรลุธรรมคือเขาแสดงออกมาจนตอบได้ว่าลู่แล้วลู่ก็ลู่จบด้วยเห็นแล้วละเรื่องเนี้ยมันก็เรื่องเก่าความโกรธก็นเก่าความทุกข์ก็อนเก่าแม้จะทุกข์แบบไหนก็คือความทุกข์ความโกรธแม่จะโกรธแบบไหนก็ตามคนอื่นทําให้โกรธ อะไรทำไมโกรธมันก็คือความโกรธความรักแก่รักคู่รักคนรักผ้ารักเสื้อรักวัวรักควายรักบ้านรักช่องมันก็คือความรักอันเดียวกันแล้วก็มันก็เลยหลอกมาได้มันเป็นอาการมันเป็นอาการมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆริงมันเป็นอาการถ้าตอบได้ว่ามันเป็นอาการก็ชิ๊บจ้อยอะไรแบบนั้น เก็บจ้อยเหลือเกินความรู้สึกตัวยิ่งใหญ่มีอํานาจเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วบรรลุธรรมแล้วเขาเข้าใจเห็นแจง้งตามความเป็นจริงบรรลุธรรมก็คือบรรลุอยู่บนกายบนรูปบนน้ํารูปหลอกไปได้น้ําหลอกไม่ได้เหมือนเมืนน่อก่อนแต่ก่อนในรูปก็หลอกน้ําก็หลอกอไม่รู้จะเป็นยังไงยอมมันหมด มันโกรธก็ยอมทำตามความโกรธมันรักก็ยอมทำตามความรักมันทุกข์ก็ยอมทำตามความทุกข์เคยเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสเวลามันทุกข์ก่อนห่าเศร้าก็ยอมมันไปแนี้มันเห็นแจ้งมันเห็นแจ้งมันมีสติมันเห็นแจ้งอะไรมันหลอกมาได้เพราะสตินี่เป็นสติอินซีมันเป็นใหญ่ แต่ก่อนตามันเป็นใหญ่หูมันเป็นใหญ่เราเราสร้างสติไปสร้างสติไปอา้าตาหูจมู ก, ล, กลิ้นกายใจรู้เพรสะจินเสียงมันไม่ใหญ่เท่าสตินะไม่ใช่ใหญ่แบบเป็นธรรมสตินี่มันใหญ่เป็นอินทรีย์เหมือนกันมันรอบรู้มันหลอลกมลอไม่ได้ต า, าตาตามันหลอกได้ความรู้สึกตัวมันหลอกไม่ได้หลอกตัวเราก็หลอกไม่ได้ ถ้าหลอกก็หลอกไม่ได้ก็ไม่ไม่รู้ว่าใครจะไปหลอกใครถ้าหลอกเราได้เราก็หลอกคนอื่นได้มันดับเปิ้ลหลอกถ้าหลอกตัวเองไม่ได้เราหลอกคนอื่นก็ไม่เป็นโกรธคนอื่นก็ไม่เป็นถ้าโกรธก็คือมันโกรธความโกรธมันหลอกตัวเราความโกรธมันไม่หลอกตัวเรามันเห็นอย่างนี้แร้วว่ารู้ธรรม เดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านี้มันหลอกเราความกลัวก็หลอกเราความโกรธก็หลอกเราความทุกก็หลอกเราหลายอย่างที่มันหลอกเราเป็นภาระมากจึงจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมให้เห็นซะให้พบเห็นซะให้เรามาพบกันพบกันตรงนี้ถ้าเราพบกันตรงนี้อะไรๆมันก็จะดีไปเลยไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปมีกฎระเบียบอะไรนะใช้ชีวิตของเราอันถูกต้องอันโชค อยู่โดยชอบอยู่โดยชอบก็คืออยู่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่ด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่อยู่สุกโตนะไม่ใช่อยู่ประเทศอินเดียไม่อยู่กับกติพระพุทธเจ้าวัดเชตวันวัดเวฬุวันวัดอะไรต่างๆไม่ใช่อยู่โดยชอบคืออยู่มีสติเป็นหน้ารอบคือไม่เผลอี่ว่าอยู่โดยชอบ ผู้มีสติเป็นหน้ารอบไม่เพลิงเหมือนพระคีณนาสุกผู้มีสติเป็นวินัยนี่พออยู่โดยชอบอยู่ทางรถเมล์ก็อยู่โดยชอบทำงานเดินตามถนนหอนทางก็อยู่โดยชอบควอมอยู่โดยชอบมันมันคือชีวิตเราไม่ใช่เป็นเลือกที่เลือกทางนะถ้าอยู่โดยชอบตรงนี้แล้วเรื่องอื่นก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่สมมติว่าเราล้นแล้วก็อยู่โดยชอบได้ เรื่องของความอยู่โดยชอบถ้ามันร้อนเราก็อยู่โดยชอบการอยู่โดยชอบเนี่ยมันอันเรื่องของความร้อนมันก็ค่อยเป็นไปความหนาวมันก็ค่อยเป็นไปมันเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตมันก็อยู่โดยชอบแต่ความรู้สึกปลอดหลอดมาเกี่ยวค้องกับความร้อนมาเกี่ยวค้องกับความหนาวไมามาเกี่ยวข้องกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็ใช่เป็นดอกท้าอยู่โดยชอบภายในเป็นแล้ว ถ้าอยู่โดยชอบภายในไม่เป็นมันก็อะไรอะไรก็จะหลงไปตะพือตะเพือไป <c oughs> บานปลายไปถ้าอยู่โดยชอบภายในแล้วมันไม่บานปลายไม่เป็นหนึ่งเป็นสองไปมันก็จบมันก็จบอันอื่นมันก็ไม่ไม่มีปัญหานะถ้าอยู่โดยชอบภายในเป็นเราอยู่ด้วยกันก็เป็นอย่างนั้นแม้ว่าจะอยู่ในอัธยานะหรือฐานะแบบไหน คมเป็นจริงเราอยู่ด้วยกันอืมเออโอ้ปฏิบัติรู้สึกตัวโอ้หลวงพ่อเทียนอยู่ตรงนี้อน่ะโอ้มาจุจากหลวงพ่อเทียนพอเห็นรูปเห็นนามโอ้หลวงพ่อเทียนอยู่ตรงนี้นาะโอ้ฉลาดเนาะหลวงพ่อเทียนพระพุทธเจ้าโอ๊ยช่างฉลาดเหลือเกินพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เนี่ยอยู่ได้ชอบรัก พระพุทธเจ้ารักธรรมรักปินัยรักครูอาจารย์เคารพเพื่อนไม่มีใครที่เราไม่เคารพเลยถ้าเราอยู่โดยชอบตรงนั้นถ้าอยู่โดยชอบจริงๆแล้วรโกรธกันก็ไม่เป็นด่ากันก็ไม่เป็นทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นถ้าอยู่โดยชอบตรงนี้ได้ไม่ได้อดได้ทนพราะเห็นเห็นก็เห็นอันเดียวกันจนเลยจนมีคําสอนว่า ฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้ามันเหมือนเหมือนกันมองแบบดูคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนมีพระในพานอยู่ตรงนั้นปานนั่นแล้วคนไม่สตินะไม่แปลกไปแยกไม่มีชั้นวรณนะไม่มีลัทธิไม่มีเพศไม่มีวัยเป็นความรู้สึกตัวที่มองกันแบบเอ๋อ กัละยาณนะมิตรกันละยาณธรรมออกหน้าออกตาคือความเมตตาสงสารเน้นออกเห็นใจเราโกรธเราเห็นเราโกรธโอ้เราลูกตัวเราเวลาผันโกรธเวลาคนอื่นโกรธเขาก็เป็นทุกข์แบบนี้เวลาคนอื่นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์แบบ น, น, น, น, บบนี้เราเห็นใจเขาเห็นใจเราคือเห็นใจคนอื่นถ้าจะแก้คนอื่นแก่เราแก่เราเราลักพ่อลักแม่เราก็แก่ตัวเรา อย่าให้มีปัญหารักบุตรพ ญ, ญาามีก็ต้องมาดูตัวเองอย่าให้มีปัญหาอย่าให้มีทุกข์อย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นกับกายกับใจเราก็แสดงว่าความรักบริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีปัญหาแล้วความรักก็ลาบลื่นจะเป็นบุตรพ ญ, ญาามีก็ลาบลื่นถ้าเราไม่มีปัญหา แมเราจะรักเหมือนใจะจะขาดถ้าตัวคนที่เรารักในปัญหามันก็ไม่สมํานะเร็จหรอกนะพราะฉะนั้นจะมาสร้างความรักที่เป็นอมตะคือนในละปฏิบัติทำในีละพระพุทธเจ้าของเราเป็นยอดนักรักนะนี่เราก็จะอยู่เข้าสาตามสมญญ ม, สมุติปัญญัติตามสมมุติปัญญัติถ้าเราพบกับตั้งต้นเริ่มต้นที่ตัวปฏิบัติให้เดินก็ดีไป สมควรอย่างใดไม่สมควรอย่างไรกาลเทศะอย่างไรแล้วก็จะลูบไปมันมีความถูกต้องใช่กายใช่จิตที่จะเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรก็ตามมันมีความถูกต้องชอบทำอยู่บางอย่างก็ก็งดงามไปย่าบรรยาทก็งดงามไปเนสัยใจคอก็งดงามไปคอยดูลืกดูยามดูเวลางดงามไป ทีแรกก็มีนาฬิกาปลุกเตงลิงตีงลิงพอปึกไปปลกไปไม่ต้องดูนาฬิกามันตื่นเราเองเวลาไปฉันมันก็ไม่ได้ตีละฆังเรียกกันเยี่ยงหูฟังถึงเวลาก็ไปกันเองมันก็หัดไปตื่นเวลาจะตื่นมันก็ปวดหนักปวดเบามาตื่นขึ้นมาก็ถายหนักท่ายเบาล้างหน้าแปรงฟันก็มันก็ถึงเวลาที่ไปทำวัดใช่เวลาเดินจงกรมพักผ่อนเตรียมเนื้อเตรียมตัวเล็กน้อยมันก็ไปกันเอง มันไปของมันเองถ้าฝึกตนตนมันก็พาไปความดีก็พาไปความชอบก็พาไปถ้าเราไม่ฝึกไม่เริ่มต้นจากตัวเรามันก็ก็จะต้องให้กดให้เกณฑ์ให้อะไรอยู่นั่นแหละต้องใช้นาะฬิกาต้องใช้อะไรต่างๆแย่ๆไปหมดเลยต้องไม่ผู้บอกผู้สอนอาศัพี่เลี้ยงอันนั้น ม, มันก็มีเหมือนกันแต่ช่วยได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆนี่นะถ้าฝึกสติเนี่ย มันก็จะดีไปอีกหลายๆอย่างการถ่ายเป็นเวลาการตื่นเป็นเวลาการนอนเป็นเวลาการเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายังไงเป็นเกลือไปทับทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีไข้ป่ามาลเรียก็ไม่เป็นไข้คิดอย่างนั้นนะแม้จะมีงูใหญ่มีช้างมีเสือช้างเสือก็จะไม่กัดไม่ทำลายมันก็งดงามเอง เ ด, เดินผ่านเดินผ่านเจ้งผ่านวงเก้งกวงก็ไม่เห่ามันก็เป็นไปเองตามธรรมชาติหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธรรมชาติเป็นอะไรไปจนคําสอนในพระโสดจนตรดยวยว่าผู้มีเมตตากรุณาเต็มเปี่ยมแม่แต่กินยาพิษก็ไม่ไม่เป็นพิษนั่นแหละนะแต่ว่าอย่าไปกินนะ ถทน้นะ่นนะกินยาพิษก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้นะฝันไม่ฝันได้แม้แต่ถูกพิษอะไรก็ไม่เป็นพิษเป็นไปมีคุณธรรมมีอะไรไม่ตายจริงๆเตรียมรู้อยู่สเสมอเนะนี่ยเอาตรงนี้เราพบกันตรงนี้พบกันตรงนี้เข้าถึงตัวเอง จะ่าเข้าถึงครูอาจารย์ฉันชอบอาจารย์ตรงนั้นฉันชอบหลวงพ่อองค์นี้อย่าเลยมาอยู่กับตัวเรามารูดตัวเรามารูดตัวเรามีสติสำวยชัญะลงไปเขาลบอาจารย์ก็คือเคารพเราสามารถยกมือไหว้เรายกมือไหว้นี่ยดูจริงๆเราเขาลไหว้เราดนะังเรามีคุณธรรมนะจึงยกมือไหว้ได้ที่จริงมันเกิดจากเรา เราก็มองว่าเราไหว้อาจารย์ที่จริงมันเป็นสมบัติของเราสามารถยกมือไหว้สามารถแสดงความเคารพเรามีคุณธรรมถ้าเราไม่เป็นคุณธรรมเรายกมือไหว้ไม่เป็นหรอกเรานี <Ooh. S 1> า่ยสามารถยกมือไหว้ได้ขอบคุณเราขอบคุณเราโอกาสที่จะหลงเราไม่หลงโอ้เราขอบคุณเราโอกาสที่จะโกรธแล้ไม่โกรธโอ้ขอบคุณเรา โอกาสที่จะทุกข์เราไม่ทุกข์โ อ, ข อ, อ้ขอบคุณลอขอบคุณล่อการรู้จักขอบคุณตัวเองนะมันเป็นความลึกซึ้งนะเหมือนกับเราแก้เราแก้ปัญหาเวลาใดมันลรู้สึกตัวนะ่ะโอ้มันลึกซึ้งนะเวลาใดที่มันโกรธรู้สึกตัวลึกซึ้งนะเวลาใดที่มันทุกข์รู้สึกตัวมันลึกซึ้งแต่แก้ความผิดเป็นความถูก มันสมน้ำสมเนื้อสมน้ำหน้าความหลงสมน้ำหน้าความทุกข์สมน้ำหน้าความโกรธควรที่จะทำกับมันอย่างนั้นความโกรธเวลามันโกรธรู้สึกตัวไม่โกรธต้องทำอย่างนั้นเวลามันทุกข์รู้สึกตัวไม่ทุกข์เวลามันกลัวมันอะไรก็ตามรู้สึกตัวมันจึงสมน้ำสมเนื้อ พระพุทธเจางว่าเมื่อไม่เกิดก็ต้องไม่ไม่เกิดเมื่อไม่แก่ก็ต้องไม่ไม่แก่เมื่อมีเก็บก็ต้องไม่ไม่เก็บเมื่อไม่ตายก็ต้องไม่ไม่ตายมันตรงตรงนั่นด้วยตรงนั่นแหละอะไรอะไรมันก็ตรงนั่นแหละนี่ว่าจบแล้วแหละชีวิตของเราถ้ามันตรงข้ามกันนะนะความโกรธก็ไม่โกรธความหลงก็ไม่หลงความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ถ้าทําไม่เป็นตรงนี้ไม่รู้จะมีคุณภาพอะไรชีวิตของเราเอาอะไรเป็นภาพ เอายศถาบรรดาศักดิ์เอาวุธิภาวะเอาชาติเอาอะไรมาอบกันถ้ายังเปลี่ยนตรงนี้ไม่เป็นไม่มีดอกมันสมมุติมันหลอกตัวเองถ้าหลงแล้วไม่มีความรู้สึกตัวถ้าโกรธแล้วไม่ไม่มีความรู้สึกตัวมันต้องเอาตรงนี้ตรงนี้จึงจะคุ้มค่ากับชีวิตของเราอย่าไปเอาอันอื่นเกินไปมามองตนมามองตน นี่คือตัวปฏิบัติถูกหรือผิดฟังดูแล้วก็ฟังดูแล้วก็ทำดูสัมผัสลองดูไม่ต้องมีคำถามสัมผัสลองดูสัมผัสลองดูเนาะพอได้ยินไหมได้ยินไหมออนเนี่ยนี่หลวงพวว่อกพกูดจากนี้นะอ่าอก็พูดจากนี้แหละไม่ต้องการให้ใครมายกย่อง ไม่อยากได้อะไรจากท่านพูดในสิ่งที่มันถูกต้องไม่เป็นทุกไม่ตั้งใจจะเป็นมันดีเพื่อให้ยม่มย่องย่อ ง, องไม่มีเลยจะพูดในสิ่งที่มันถูกต้องเท่า น, นั้นเองจะพูดจะบอกในสิ่งที่มันถูกต้องมันสะดวกมันสบายมันสะดวกสบายผูพ้พูดก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมผู้ฟังไม่รู้จะได้บรรลุ ธ, ธรรมเลยป่ะ <c oughs> โอ้พูดได้บรรลุ ธ, ธรรมนะ ธรรมเทสนามัยเนะี่ยธรรมเทสนามัยได้บรรลุธรรมนะเพราะว่าสิ่งที่พูดไม่ได้จำมามันเป็นของมันมันบอกความจริงผู้ฟังก็ได้บุญทำธรรมเทสนามัยได้บุญทั้งสองฝ่ายได้บุญทั้งสองฝ่ายพูดแสดงก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญมันต้องอย่างนี้เนาะ อย่ใจะไปเทศยงเดียโยมท่านสิบท <forever> ่านหาเป็นเทวายสันผ่าย้อนย้อนเดยย่อมเด้อเห็นสวรรค์ของนองอย่ามาของยยคีดินเด้ยย่อมเลยมักลายแบบนั้นมูลขายน้อยเอออะไรนะวันนี้เนาะ